พระอนุบัญญัติสองร้อยห้าิกษุไม่เจ็บไข้พึงอยู่ชั้นพัตหาในที่พักแรมได้เมื่อเดียวถ้าชั้นเกินกว่านั้นต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระสารีบุตรจบ